ช่วงโตเต็มที่แล้วอ่อสนี่เริ่มสุดสมแล้วค่าเฉลีย่ยคนยุคเราถ้าตามคำผีก็75็ดสห้าทางการแพทย์ไม่ทราบเท่าไหร่ในดูสถิติบางอย่างก็น่ากลัวนะคนไทยเครียดจัดเครียดจัดแบบมีแนวโน้อมอาจจะยอมค่าตัวตายได้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 ว, วันนี้มาแต่ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นยังใจ ย, ยังดุนหนักๆอะค่ะยังไม่ไม่สว่างเหมือนแบบทุกครั้งที่มาฟังเทศเฉยๆอาจจะมีความกังวลยบบู่นน้อยวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะมีแต่คนบอกว่าอยู่แล้วเหมือนรีสอร์ทมีแต่ผีดูไว้หน่อยนะน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 มันจะเบื่อทุกข์มันจะเอาสุขมันเบื่อกิเลสมันจะเอากุศลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยังไม่ใช่ผลของการทำวิปัสสนาหรอกอ น, นั้นเป็นผลของกิเลสเ น, นี่ยพอมันเกิดสภาวะเบื่อขึ้นมาเกิดสภาวะกลัวขึ้นมานเกิดสภาวะหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ขึ้นมาให้มีสติรู้ลงไปอีกนะใจจะเข้าไปสู่ว่าเป็นกลางมันจะเห็นใจรัก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 ส่วนฌานที่ 5, 6, 7, 8ซึ่งเป็นอรูปฌปานนั้นโดยเนื้อหาของมันก็คือฌานที่4นะมีองค์ธรรมสองอันเอกาคาตานะกบอุเบกขานะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดนะั้นบางทีไม่มีรูปเหลือแต่น้มร้ว น, วนๆเกิดอริยมรรคบางทีก็ยังมีรูปอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดในฌานตั้งแต่ฌานที่1ขึ้นไปหรือว่ามีสัมมาสมาธิเกิดขึ้น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 ไม่มีผัวมันพูดออกมาจากใจใจของคนจะเรียนได้แค่ไหนธรามาั้กอ็อกมาแบบนั้นละเพราะงั้นวิธีที่จะตัดตอนไม่ให้สอนเฉพาะพวกที่รู้เยอะนะก็คือต้องไล่ตรวจกันบ้านดีกว่า <c oughs> ไหนไหนใครจะยกมือมีไหมหนูหพ่อคะอสะยงไม่เล่าเยอะคนเนี้ค <c oughs> ือกราบเรียนถามเพิ่มพูดเมื่อกี้อาจจะตื่นเต้น <c oughs>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 ไม่ต้องไปสงสัยออกว่าตอนที่พูดกับลูกมีโทสะไม่มีเป็นอดีตเอาปัจจุบันนะแม้กิเลสมันจะหลอกเราไปสู่อดีตบ้างไปอนาคตบ้างให้ทิ้งปัจจุบันตลอดหน้าที่ของกิเลสมันทำแค่นั้นแหละให้เราลืมรู้กายรู้ใจอันเป็นปัจจุบันของคุณโดยพื้นฐานมันเป็นพวกโทสะดะงนั้นโทสะที่มีกําลังกล้าเนี่ยคุณจิตใจมันจะโลดโผนนะมันดูง่ายมันดูง่ายเพราะกิเลสโทสะมันเป็นของแรงดูง่าย เพราะฉั้นต่อไปนี้โทสะผุดขึ้นมารู้ทันโทสะผุดขึ้นมารู้ทันนะีโทสะพละเอียดขึ้นไปนก็เป็นแค่ความขัดใจขัดใจเล็กๆน้อยๆนะ <geography> เล็กน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นก็คอยรู้นะคอยรู้ไปอย่างนั้นหละเราจะเห็นเลยจิตมี2ชนิดเท่านั้นคือจิตที่มีโทสะประจิตที่ไม่มีโทสะไม่ต้องดูจิตอีกอย่างอื่นอีก80ชนิดไม่ต้องไปดูมันนะีดู2งานนะ่นจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะดูอย่างนี้เนือนงๆต่อไปก็จะรู้อันอื่นด้วยนะ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 ครับน้ำมการ์นะอาจารย์กับนี่จะมาเข้าเป็นครั้งแรกนะเอาอย่างนี้จับใหม่แบบนักร้องครับคือ <c ười> ปกติผมจะภาวนานี่มันจะอึดอัดขัดเครืองนะตอนหลังก็เลยใช้การดูอย่างเดียวก็คือภาวนาแล้วอืดอัดขัดเครืองเนี่ยเพราะเราไปกดไปข่มไปบังคับจิตใจนะถ้าเราตามดูไม่เป็นหรอกของคุณค่อยใช้ได้แล้วคุณตามดูไปเรื่อยๆใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมานะ แต่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นธรรมชาติหรอกไหมกับเออนผิดธรรมดานแข็งเกินจริงแล้วก็รู้ไปไปคมมันไว้กัของคุณใช้ได้แล้วกัด ร, รู้ไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้ยกมือกัรนรัตการครั บ, รรร ค, รบคืออยากจะถามปัญหาคือว่า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 คือแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมปล่อยผมดูจิตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จิตมันเข้าไปพักนะครับ <Yeah. S 2> ซึ่งพอเข้าไปพักเสร็จแล้วเนี่ยอาการเพ่งลูกตามั่งที่คอหอยมั่งหรือที่ลิ้นเนี่ยก็เกิดอาการหายไปอย่างนี้ครับถือว่าควรจะทำํทำทาได้ก็คืออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจงใจเข้าไปจิตมันเข้าไปเองนะ oh. เราดูจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละพอดูพอจิตมันต้องการพักผ่อนนั่นจะรวมเข้าไปเอง ไปรู้สบายๆนะให้คุณรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเรื่อยถึงเวลาเขาก็พักผ่อนเองอยกเว้นบางช่วงจิตมันเดินสติเดินปัญญาแก่กล้ามากนะหมุนจีๆอยู่ทั้งวันเลยไม่ยอมพักเลยจงกระทั่งใจเหล่านี้คล้ายๆซื้อบื้อไปหน่อยอย่างนั้ น, นต้องน้อมใจเข้าไปพักังนั้นเราก็ต้องดูว่าช่วงนี้ควรจะน้อมใจเข้าไปพักหรือว่าช่วงนี้จะเจริญปัญญา เขาเจริญปัญญาพอสมควรแล้วเขาก็พักของเขาเองนะอย่างนั้นทําได้แม้กรรมฐ า, านนะมันเหมือนกระดิ่งได้ทุกแง่ทุกมุมเลยพอทําเป็นหนะ้าอะไรมันได้หมดอะ่ะถ้าทําไม่เป็นนะทำอะไรมันก็ผิดหมดอะ่ะครับแล้วอยากจะถามอีกอย่างก็คือครับคือผมมองเห็นรูปนามในพายในลูกเกี่ยวกับอนัตตาอย่างเดียวนะครับแล้วเรื่องทุกนี่ผมไม่เคเป็ น, ค, ปนคือจริตในใิสัยคนไม่เหมือนกันนะพวกที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นอนัตตา ปัญญามันล้มไหมเห็นอนัตตาง่ายอ๋อแล้วปัญญามันล้าเกินไปไหรือไม่ไม่ไม่จำเป็นหมายถึงว่าจริตนิสัยเราเนี่ยนะมันสะสมมาท า, ทางด้านปัญญาเนี่ยกล้านะมันสะสมปัญญามาเพราะงั้นเวลาภาวนารู้กายรู้ใจอะไรเงี้ยมันจะไปเห็นอนัตตานะอย่างนั้นแหละดีแล้วแต่ความจริงคำว่า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 ทุกสุดสุดนะจนต้องสลัดทิ้งเลยเพรฉนั้นเบื้องต้นนี่เราเภาวนาเราคอยรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะตั้งเป right. ้าให้ถูกนะเรารู้กายรู้ใจไปเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่เพื่อบังคับตัวเอง <c oughs> เพื่อบังคับกายเพื่อบังคับใจใช้ไม่ได้เพะเรารู้ไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเห็นกายก็เห็นร่างกายมันทํางานไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันเก็ทํางานไปมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นอย่างนี้ มองให้ถูกมุมเพราะด่านแรกของเราต้องละสักยัติจิไม่ต้องไปมองมุมว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆหรอกะมองเมือไงก็ไม่เห็นไม่สามารถไม่มีใครสามารถนะในขั้นโสดาสกิทาคขาเนี่ยไม่มีใครสามารถเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีใครสามารถเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆพระนาคามียังไม่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของเราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆหรอกเป้าหมายแรกของเราดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะ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 ตรงไปข้างหลังเท่านัอคุณนี่ได้แล้วก็เอ า, าได้เชิญขอรับการหลวงพ่อครับผมแยกความคิดกับตามรมู้ไม่ถูกครับหว่าคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยอันหนึ่งนะอาการที่จิตคิดเนี่ยอีกอันหนึ่งแยกหัดแยกสองอันนี้เรื่องราวที่คิดคุณรู้จักเรื่องราวที่คิดไหม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 พอใช้ได้ไหคร <initiatives> ับภาวนาเนี่ยใช้ได้ทั้งท่านแหละนะไปเรียนมาจากไหนอ่านอ่านหนังสือครับแล้วก <the> ็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังเทปธรรมะรู้สึกไหมขนาดนี้ยยังไม่รู้ตัวเต็มที่มองออกไหมรู้สึกไหมจิตขนาดนี้มัวมัวไปหน่อยรู้สึกไหมมันเบลอเบอมันมัวมัวใช่ไหมเนี่ยจิตมีโมหะแทรกอยู่ให้เรารู้ทันเข้าไป